ถ้าจรุดรับคำฟังรับฟังคำแนะนำตอนสองเป็นนั้นว่าการฝึกมโนวิธีที่จะให้ผลดีก็ขอให้ท่านเลือกสรรเอาข้อสอบถามจากบุคคลสมมติว่าท่านไม่มีโ อ, อกาสจะอยู่ที่นี่หรือว่าฝึกอยู่ที่นี่แล้วแต่ยังไม่ได้ผล ถ้าจะกลับไปบ้านมีความประสงค์จะฝึกต่อถ้าจําได้ก็ไปฝึกถ้าเกรงว่าจะเฟือไปก็เอาเทปจากคนที่แล้วการฝึกที่ได้ยากที่สุดเอาไปรับฟังเหมือนกับพี่ชายของคนสมบูรณเวสสาตชานนนนี่คนนี้น้องชายเอาไปให้ฟังแล้วก็ฟังไปฟังไปฟังไปในที่สุดเพราะอาศัยเขามีใจไม่ดื้อ เขาจึงได้แล้วก็ได้ในขั้นดีมากไม่ใช่ดีน้อยเห็นอะไรชัดการเห็นนะั้นอย่าลืมนะไม่ได้ลูกตาขึ้นไปเห็นได้เหมือนกับตายเห็นสว่างสวัยมากถ้าพระว่าใจเขาไม่ดื้อ น, น, น, นี่ตอนนี้ไปก็ขอพูดต่อยหน่อยหนะึ่ง ในเมื่อท่านรู้สึกว่าฝึกได้แล้วขั้นไหนก็ตามพยายามฝึกฝนทำอยู่เสมอๆ อ, อย่าลืมนะจ๊ว่าบุคคลผู้ใดถ้าทางสำนักเขาแนะนำไปแล้วถึงจุดสูงสุดของสำนักต้นชาว่ชใชัคําาจุดสูงสุดของสำนักเพราะว่าทางสำนักนี้มีความสามารถแค่ไหนสอนแค่นั้น ไม่ใช่ว่าเป็นสนักที่มีความสามารถ ส, ง ส, สูงสุดสนาอื่นสู้ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นที่อื่นเขาก็ดีเท่านี้ก็มีถมไปดีมากกว่านี้ก็ยังมีอยู่จะฝึกเท่าที่มีความสามารถจะฝึกให้มันได้แล้วก็มันขยันมันเพียรตัวอย่างที่เนยอชแช ก, ก็อย่างคุณวิพา พ, พรทรสริ วันแรกเธอมาวันแรกเหนื่อยมาทั้งสามีปัญญาแกคิดว่าไม่มีโอกาสแต่ว่าอาตมาเห็นว่าคนสองคนนี้มีศรัทธาดีโอกาสมีแน่ยังไม่เรียกเธอมาให้นั่งไกลแกเอาครานต้มเตียมต้มเตียมก็้ว ไ, ไปตามไปตามเรื่องตำราไปได้ไปมืดมืดแบบเอาตาบอกคาช้าง แต่ว่าศัยที่เป็นคนฉลาดเพราว่าสิ่งใดถ้าเรายังไม่เคยเขาบอกก็ต้องลองเชื่อไว้ก่อนแล้วลองปฏิบัติตามนดทีสุดพอวันที่สองเธอเข้มารายงานว่าอารมณ์ที่มีความรู้สึกคิดว่าเป็นยังไงอย่างนี้มันเป็นจริงหมดเห็นชัดเจนแจ่มใสนี่เรียนสองวันท่านั้นก็ทำได้ ในันในการที่หลวงพ่อปานท่านแนะนำอาตมาบอกว่าเวลาจะเรียนกับท่านก็แกต้องเรียนกับฉันแบบโ ง, ง่ๆนี่เป็นเรื่องจริงคือโง่เพื่อหาความดีหาของจริงไม่ใช่ฉลาดหลีกของจริงถ้าทุกท่านตั้งใจจริงฝึกฝนจริงก็ได้จริงและก็มีหลายท่านเหมือนกัน ที่มาฝึกที่วัดแล้วไม่ได้กลับไปทําที่บ้านไปทําได้ดีและก็เป็นครูบาอาจารย์เขาด้วยทางสํานักนี้ไม่หวงเมื่อใครทําไปได้แล้วต้อทุกคนก็ไปช่วยกันฝึกคนที่อยู่ใกล้บ้านจะได้ไม่ต้องเดินทางมาที่นี่ให้ลําบากแล้วก็ที่ประกาศไว้บอกว่าจะฝึกแค่วันที่ยี่สิบแปด เห็นว่าเวลานี้พระทิวัดก็ดีคนที่วัดนี่ก็ ด, กดีได้ถึงอันดับพอที่จะเป็นครูได้มีหลายท่านพระทิวัดเกือบจะหมดฟัดอาจจะขาดจุดบางองค์สององค์พระเด่นเนรเห็น่าเป็นครูได้ฉะนั้นการฝึกแบบนี้ก็อยาขอประกาศว่าไม่ปิดจะเปิดรับทั้งปีตลอดปีเรียกว่าทั้งปี แต่บุคคลผู้มาฝึกหรือพระผู้มาฝึกก็ตามจะมาอยู่ตลอดการไม่ได้คราวหนึ่งท่านผู้มาจะมาอยู่ได้ไม่เกินจิตวันแต่ขอให้ปวดเรียงตัวเองได้ด้วยถ้าท่านพลใดสอบอารมณ์ติดอนิพพานแล้วพวกนั้นถือว่าหยุดการฝึกหมดภาระของครู ถ้าไปปล่อยให้เสื่อมลงที่นี่ไม่รับผิด ต, ต่อให้ถือว่าสอนให้ถึงอันดับจุดสูงสุดของสถานที่แล้วท่านรักษาไม่ได้ก็เป็นเรื่องของท่านจะไม่ยอมทบทวนให้เว้นไว้แต่ว่าท่านรักษาไว้ได้แต่พอไปถึงบ้านไม่ทำเข้า มันมีความแจ่มใสยิ่งขึ้นมีความรูวมว้มากขึ้นเกรงว่าจะเผื่อไปจะมาทบทวนสอบถามอันนี้จะบอกให้แต่ถ้าว่าท่านทำสูญหายไปซะแล้วจะไม่ยอมสอนให้ใหม่ได้ขาดนอกจากว่าท่านจะฝึกฝนปรุงท่านให้เข้าสู่ระดับตามเดิมเป็นเรื่องของท่านท่านทำหรือไม่ทำก็เป็นเรื่องของท่าน ในอีกรือการหนึ่งถ้ามีคนดือด้อๆเขาเรียกว่าประเภทดือด้อๆแนะนำแบบไหนก็ไม่เอาแนะนำแบบไหนก็ไม่เอาอันนี้ก็สั่งบรรดาท่านที่พอจะเป็นครูได้ว่าใครก็ตามแนะนำให้แล้วสามวาระถ้ายังไม่ปฏิบัติตาม ท่านโปูนั้นให้บันทึกชื่อไว้ว่าเราไม่สามารถจะสอนเขาได้ตลอดชีวิตเปน็นอันว่าไม่ทำการสอนตลอดชีวิตทั้ง น, นี้เพราะอะไรเพราะว่าการฝึกนี่ต้องดูพระพุทธเจ้าพระพุทธทเจ้าท่านจะต้องสอนได้เฉพาะคนที่มีความดีติดตามมากับท่านเท่านั้น ท่านอกจากนั้นก็ไม่มีโอกาสจะฝึกได้พระสาวกเหมอือนกันไม่ใช่ว่าสำนักนี้จะฝึกคนทุกคนให้ได้เหมอือนกันทุกคนเขาได้โปรดทราบฝึกไม่ได้หรอกหากว่าท่านไม่หนึ่งขาดศรัทธาความเชื่อไม่ว่าสองขาดวิริยะความเพียรสาม ขาดควบคุมกำลังใจให้ตรงจุดถ้าขาดสามอย่างนี้ท่านจะมาฝึกเท่าไหร่ที่นี่ก็ฝึกให้ไม่ได้ฝึกให้ได้แต่ว่าท่านไม่ได้ก็ได้หรือไม่ได้มาอยู่ที่ท่านสำนักเป็นเพียงผู้แนะนำเท่านั้นตอนนี้ไปก็จะขอคุยกับคนที่ทำได้แล้ว ท่านที่ฝึกได้แล้วเนะี่ยมันได้แล้วดนะับไหนก็ตามฝึกผลมาให้ดีการที่สนักนำให้ถึงจุดพนิพพานและก็ไม่นำไปแว้ที่ไหนเนะี่ยก็เพราะว่าถ้าหากว่าถึงจุดผนิพพานจิตใจของท่านมีการรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ถึงว่าถือว่าเป็นจุดสูงสุดในเขตของพุทธศาสนา เมื่อถึงอันดับสูงสุดแล้วท่านใหญ่จะไปที่หลังท่งานใหญ่จะไปไหนมันก็ไปได้วิธีที่ไปไปอย่างนี้สมาธิของเราอย่างแคบที่กว้างดีสุดก็คือพระอานพระพุทธเจ้าถ้าไปน่าไรจุดใดจุดหนึ่งสมมติว่าไปเห็นพระพุทธเจ้าเป็นรูปพระสงฆ์หรือว่าเห็นพระพุทธเจ้าเป็นรูปพระพุทธรูป นี่เกิดไปกันสามสี่คนหลายคนเห็นไม่เหมือนกันตอนเห็นไม่เหมือนกันกนี่แสดงว่ากําลังสมาธิและวิปัสนาของท่านไม่เท่ากันให้ตั้งเจตฐานว่าขอบารมีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าต้องการอยากจะทราบเห็นภาพความจริงของพระองค์ในสมัยที่อยู่ในนิพพานเท่านี้แหละภาพนั้นก็จะปรากฏเห็นเหมือนกัน ถ้าไปที่ไหนจะ ม, มีมานเบื้องว่วางไม่มีคนต้องตั้งจิตอธิษฐานทีว่าที่นี่มีใครบ้างขอเห็นเท่านั้นก็จะเห็นหมดเขาต้องทํากันแบบนี้เนี่ยเป็นแบบฉบับเพราะว่าสมาธิของพวกเราที่ขึ้นไปมันมีวงแคบมากแทนเปรียบเทียบว่าอย่างนี้คือสมาธิของผู้สูงชานโลกี จะมีอารมณขมุขมัวคล้ายจะค่ำหรือไม่ค่ำแหลมมองหน้ากัไม่เห็นชัดพอเห็นดำแต่คุ้มแต่คุ้มไม่รู้ว่าใครเป็นใครท่านพระอริยเจา้าทั้งตะบสัวดาบัยขึ้นไปถึงพระนาคามีแสงสว่างของสมาธิเหมือนกับเาเทียนไปหยุดในที่มืดมันจะมีแสงสวางง่างวงแคบๆถ้าเป็นพระอรหันต์ปกติ จะเหมือนกับตะเกียงหรือว่าไปตั้งในที่มดืดแสงสว่างมันก็ไม่ไกลก็เห็นไม่ไกลเห็นไม่ได้มากถ้าเป็นพระอาคัสาวกจะเหมือนกับคบเพลิงไปจุดไว้นนที่ในที่ในที่มืดสว่างมาออกไปแต่ก็ไม่ไกลนักถ้าพระปบาเจกพระพุทธเจ้าอารมณ์ที่เป็นทิพย์แสงสว่างจะเหมือนจะเห็นไปเหมือนกับพระจันทร์วันเพลิ แสงสว่ามันก็เดองหายในวันเพ็ญไม่มีเมฆบงังมันก็เห็นไม่ไกลนักเห็นไม่ช้านักถ้าของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เห็นมืนพระกังวันเวลาเที่ยงพระอาทิตย์เวลาเที่ยงซึ่งไม่มีเมฆบงังการเห็นต่างกันฉะนั้นการเห็นแต่ละจุด เราจรึงจะเห็นอะไรไม่ครบต้องการจะเห็นครับให้อธิษฐานจิตขอเห็นอีกครั้งหนึ่งว่าที่นี่มีอะไรบ้างมีใครบ้างขอเห็นครบเราก็จะเห็นครบอันนี้ก็ต้องจำแล้วต้องขยันหมั่นเพียรมีคนมาถามมาถว่ากลับไปบ้านอย่าทําอีกไหมถ้าลงแบบนี้เราก็เสร็จทุกอย่าง แสดงว่าจิตใจเนี่ยยังไม่มั่นคงในความดีไม่ไม่ใช่ว่าใครเข้ามามเข้ามาดีที่สํานักกันเข้ามาฝึกพรลูแนวทางแล้วก็ไปฝึกผลตนเองเมื่อเด็กที่นครสวรรค์มาฝึกที่นี่ไม่ได้กลับไปบ้านเธอทําได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยเวลานี้ก็เป็นตั้งสํานักเป็นครูเธอใครฝึกได้ก็ให้ไปเป็นครูเลย ที่นี่ไม่หวงความรู้ว่าทุกคนจะต้องมาฝึกแตที่นี่ใครทําได้ทุกคนจะโปรดทราบไปช่วยกันสอนการสอนนี่เราไม่ได้รับค่าจ้างรางวัลไม่ได้เรียกเงินไม่ได้เรียกทองแต่ว่าจงสอนแต่บุคคลที่เขามีศรัทธาคนที่เขาไม่มีศรัทธาจะไปชวนเขามาสอนเขาจะดา่าเอามันจะเกิดความเดือดร้อนต่อภายหลัง อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มันดาท่านนั้นหลายจะไปรับทราบแล้วต่อไปที่เรื่องคนจะพูดก็มาพูดในจุดหนึ่งคือท่านที่ได้ดีแล้วและมีความขยันมั่นเพียรความจริงมันได้ดีแล้วคำว่าดีแล้วจริงๆเนี่ยจิตเข้าถึงโลกุตระอันดับสูง ถามว่าขั้นดันไหนสูงก็ตองแต่ ว, ว่าตั้งแต่ประโสูติดาบันขั้นเ อ, เอกวิชีขึ้นไปต้องถือว่าสูงพวนี้มันจะหมดความอยากความอยากมันจะลดน้อยถอยลงอยากเที่ยวไปโ น, น่นอยากเที่ยวไปนี่มันขี้เกียจเที่ยวเต็มทีไปสวรรค์เที่ยวเดียวก็มม่ก็แค่นั่นแหละไปกี่รอบก็เท่านั้น ไปพรมทั้งหมดกี่รอบมันก็แค่นั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนรกกี่รอบมันก็แค่นั้นแหละมันจะเปลี่ยนกันบ้างกับคนใหม่ลงไปคนเก่าหายไปมีเท่านั้นก็ เ, เกิดอารมณ์ขี้เกียจทําไมจึงขี้เกียจเพราะ ก, กิเลสมันเบาลงไอ้ตัวขยันเที่ยวอยากเข็นโน่นอยากเข็นนี่อยากเข็นนั่นนั่นหมายความกิเลสมันยังมากให้ตัณหามันยังมากอยู่ มันก็มีความขยันพอตันหาน้อยลงเท่าไรความขยันเที่ยวมันก็น้อยลงเท่านั้นจิตมันก็อยากใจหยุดอยู่เฉยๆแบบส บ, สบายๆบางคราวแม้แต่นิพพานก็ไม่อยากไปทำจิตใจหยุดอยู่เฉยๆอารมณ์เป็นสุขตอนนี้ก็ขอเตือนนิดหนึ่ง ที่เตือนนั่ไม่ใช่อะไรหรือว่าเราควรจะจิตอย่างเข้าถึงพระนิพพานทุกวันวันหนึ่งก็ไม่ต้องใช้เวลามากพอจิตถึงนิพพานแล้วเปนั่งอยู่หน้าองค์สมเด็จพระพู้มีพระภาคโดเข้าวิมานของเราเห็นพระพุทธเจ้าชื่นใจแล้วประเดี๋ยวหนึ่งมันจะถอยลงมาจิตไม่จะจับอารมณ์สบาย ก็มันจับอยู่ตามนั้นดีทำแบบนี้ดีแล้วนะว่าจิตมันจะจับอยู่ในชา้นขั้นไหนนะอย่าไปสนใจมันก็มีบางรายถามว่าชานสี่ย่อมไม่ปรากฏลมให้ใจเขาออกแ้วเวลาที่จะไปจิตไม่ไม่ถึงชานสี่ก็ขาได้โปรดทราบว่าไม่ถึงชานสี่นะั้นมันไปไม่ได้ ชาญสี่ที่ไม่ปรากฏลมให้ใจเขาออกนะจริงเพราะว่าบางทีคนที่คล่องจริงๆไม่ทันจะรวมกําลังใจเพราะใจมันพร้อมคิดว่าจะไปไมันออกพุ่ไปเลยถึงเราก็เลยคิดว่าเราไม่ได้ชาญตอนนั้นนะถ้าเราจะมาคลาดูตัวมันจะรู้สึกเหมือนไม่ให้ใจ มันเป็นฌานสี่มันจะไม่ไปได้ฌานมันรวมตัวมันเป็นปกติไม่ต้องมา น, นั่งเรียกมันอันนี้นักปฏิบัติหลายคนมีความสงสัยว่าเอ๊ะไม่ทันใจรวมตัวเลยไม่ทันจะทําจิตเป็นสมาธิไปแล้วแต่ความจริงเมืองรู้ว่านั่นแหละตัวเองเป็นผู้ทรงฌานอยู่เป็นปกติโดยไม่รู้สิตัว คําว่าฌานสี่ที่รู้ไม่รู้ลงไม่ใจเขาออกนั่นมันเป็นเวลาฝึกเวลาที่ทรงอยู่เวลาเคลื่อนจะนึกจะไปปับฌานสีมันขยับตัวไปเลยถล้วไม่รู้ไหมล่ะร่างกายให้ใจออกหรือเปล่าให้ใจหรือเปล่าตอนนั้นก็ไม่รู้ร่างกายให้ใจเหมืกันถ้าเป็นฌานสี่ถ้าเป็นฌานสีละเอียด ถ้าไม่ได้ชา้นเสียละเอียดเมื่อไปไหนไม่ได้อันนี้เมื่อไปที่่าไ ป, ปบรรัาการพอชื่นใจกลับมาที่เดิมตอนนี้จงจำให้ดีว่าจงอย่าคิดว่าเราจะส่งชานขั้นไหนมันจะเป็นปฏิโพธ่เรียกันว่าขังวน แต่คิดว่าเวลานี้เดี๋ยวเราลองเข้าฌานสี่เส้นหน่อยหนึ่งลองเข้าฌานสามลองเข้าอรูปฌานในรูปฌานถ้ามีอารมณ์จิตบาปแบบนี้แล้วก็จงพยายามบอกตัวเองนะบอกใจตัวเองว่าเลอะแล้วมันเริ่มเลอะเทอะแล้วความสุขกระบอกของจิตมันเริ่มแล้ว สุกบกตรงไหนสุบกตอนตันหาตันหามันยังได้เกียดได้กายอย่าจะเปรียบเทียบใจตั้งอยู่ในชั้นไหนบ้างชั้นน้นบ้างชั้นนี่บ้างพอมันไ ม, ไม่ไม่ตามใจหน่อยเดียวรลวงก็กลุ่มเสร็จจิตเตสังิกตเทศทุกติปารติกางขา พื้นทำแบบนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าจิตเศ้าหมองตายแล้วไปอบายภรมจงทำใจอย่างนี้เมื่อรวบรวมเข้าไปแล้วไปที่ไหนก็ตามตามจุดที่เราควรจะไปตามที่แนะนำไว้เมื่อกลับลงมาแล้วอารมณ์ใจมารักษาความสุขของจิต มันจะภาวนาและพิจรารณาจิตจะตั้งอยู่เฉยก็ตามให้เป็นความสุขไม่ค้องแวะกับความรักความโลภความโกรธความหลงจิตมีอยู่ในความสุขมันจะเป็นชันอะไรก็ช่างเพราะการเจริญพระกรรมาฐานเขาต้องการอย่างเดียวคือจิตเป็นสุขจิตไม่ยุ่งกับความรักในเพศ จิตไม่ยุ่งกับความโลภในทรัพย์สินจิตไม่ยุ่งกับความโกรธความยาำบาดจิตไม่ยุ่งกับความหลงว่านั่นเป็นเรานี่คือของเราตอนนี้ไม่ต้องว่าทิ้งชานจงจำไม่ว่าการขึ้นไปนั่นมันเป็นชานสีเมื่อจิตเราเข้าถึงจุดสงสุดเทื่ยนดับนิพพาน ขึ้นไปที่นั่นเต็มอารมณ์พร ก, กับลงมาแล้วจิตมันจะตั้งอยู่ในอารมณ์ที่พอดีของมันคําว่าพอดีของมันบางทีก็เป็นอุปจารสมาธิหรือว่าปฐมฌานพระจิตต้องการใไข้ทนพิจารณาขนาันห้าบางทีจิตก็ตั้งอยู่ในฌานที่สองที่สามที่สีต่ตามอัธยาศัย เพราะว่าจิตต้องการสงบอย่างเดียวคือไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องการคิดอะไรเพราะาตั้งแต่ฌานสองขึ้นไปอารมณ์คิดไม่มีตั้งแต่อารมณ์คิดจิตมีอารมณ์เป็นสุขอยู่กับเองคาตาอารมณ์คืออารมณ์เป็นหนึ่งไม่คิดอย่างอื่นปล่อยอารมณ์ให้มันเป็นสุขตามสบายใจ นักที่ปฏิบัติได้แล้วนักปฏิบัตินะที่ปฏิบัติได้ครั้งแล้วมันจะไขข้อง อ, อัตรงนี้แ่ะ ว, ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นบางท่านก็มาถามว่าจิตใจมันไม่อยากเคลื่อนจะไปไหนจับแล้วมันอยากจะหยุดอันนั้นถก ค, ความรู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้ากิเลสมันบางจัดแล้วมันไม่เหลือเลยมันไม่อยากไปไหนหรอก แม้แต่นิพพานมัวไม่อยากไปเพราะจิตมันเป็นสุขเพราะจับอารมณ์สมาธินิจดดิยวหรือปรสนายานหน่อยเดียวจิตหยุดเป็นสุขสบายบายไม่อยากเคลื่อนแต่ว่าตอนนี้ที่ต้องเตือนว่าควรจะไปจับจุดสูงถดเข้าไว้คือพระนิพพาน ดังนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์เพื่อนใดการไปถึงนิพพานได้เจะเพิ่งนึกว่าตัวเป็นพระอรหันต์นะจะประมาทการที่จะไปนิพพานได้เนี่ไปได้สองชัง้นสองระดับระดับพระอริยเจ้ากัระดับฌ า, า, านโลกีถ้าระดับฌานโลกีถ้าจิตใจของท่านมีวิปัสสนาญาณ เข้าถึงเคโคตรโูยานยังไม่ถึงมระโสดาบันอันนี้เจ็ดกิ จ, จใจของเราไปพนิภาน์ได้แต่ว่านิพานธมวัวเห็นก็มวัมวมัวมืดมุดไม่สว่างไม่จะไม่ใสถ้าถึงมัสโอดาบันก็จะใสขึ้นมาหน่อยถถึงสกิธาข้ามมีก็ใสมากขึ้น เห็นชัดไม่ต้องใช้จิตสัมผัสไม่ต้องคลำตั้งแต่พระโสดาบันไปก็ไม่ต้องคลำ ไ, ไม่เห็นแต่ไม่ชัดโมัมัวถ้าถึงสกิทาคามีผลแล้วก็ชัดใสมากถ้านาคามีผลยังมีประกายมากขึ้นถ้าถึงอาหาันเห็นเต็มรอยเปอร์เซ็น นี่การไปถึงนิพพานได้ย่อประมาทคิดว่าเราเป็นพระอเดียเจ้าทุกวันทุกเวลาต้องพิจารณาสังโยชนสิบประการไว้หมดว่าจิตเราตัดตรงไหนได้บ้างมันตัดได้ดังครบสิบหรื อ, อยังถ้ายังไม่ครบสิบจงอย่าคิดว่าดีแต่ว่าท่านนี้ตัดสังโยครบสิบแล้วอย่างทรร่ารหัน ถ้าร่างกายของท่านยังทรงตัวอยู่ท่านก็เคียงไม่คิดว่าท่านดีเหมือนกันเพราะหันยิ่งมาไม่มันไม่มองเห็นความดีในครั้นห้ามากขึ้นแต่ก็ไม่ดิ้นรนมีเบรคขาวางเฉยจิตเป็นสุขมีอารมณ์สบายร่างกายมันจะแก่ก็ใชยแก่ธรรมดาเขามันจะแก่ ร่างกายมันจะป่วยก็เชิญป่วยธรรมดาเขามันจะป่วยร่างกายมันใหญ่จะตายก็เชิญตายเพราะธรรมดามันจะต้องตายเราหนีไม่ได้ในเมื่อเราหนีไม่ได้แล้วเราก็ต้องยอมรับการยอมรับก็ถือเหมือนกับว่าเรามีความรู้สึกว่าตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นหน้ากายก็สว่าง ตอนเย็นพระที่รับไปอากาศก็มืดแล้วก็ใช้แสงไฟแทนให้สิ่งนี้พระที่ขึ้นพระที่ตกนี่เราเห็นมาตั้งแต่เกิดมันก็เลยไม่มีความรู้สึกอะไรเพราะพระที่ขึ้นความรู้สึกใจก็แค่นั้นแหละมันสว่างเมื่อพระที่ตกไปไมันมดืดความรู้สึกใจก็เฉยเฉยเบ้อรเพราะว่ามีความเห็นสะจนชิ น, ชน ครานี้มีประมาณชั้นใดอารมณ์ของพระอรหันต์ก็เหมือนกันร่างกายจะแก่สิ่งที่ประทานน้ำไม่สมหวังมันจะป่วยมันจะตายจะพลาดพาดจะคองรักของชอตใจใครจะนินทาใครจะ ส, สร่นเสือนั่นก็เฉยเฉยเฉยเพื่ออะไรเฉยเพื่อรู้ว่าสภาวะของโลกมันเป็นอย่างนั้นท่านไม่สนใจกับมัน <c oughs> นายจงใหญ่คิดว่าพระอรหันต์ไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักป่วย่มยรู้จักเมื่อยไม่รู้จักปวดนั่นไม่ใช่พระอรหันต์แล้วโคตต่อพระอรหันต์ท่านจะมีขันห้ากันรู้สภาวะทุกอย่างแต่จิตให้ไม่เป็นทุกข์เจ็บท่านก็นรู้เจ็บเจ็บก็ต้องรักษาไม่กันพระพุทธเจ้ า, าก็ต้องมีหมอชีวกกุมาดพัฒเป็นคนรักษา เห็นว่าพระราหันแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็มีการเจ็บไข้ไม่สบายเราเราเองก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นมีพูดกระทวกับเรื่องนิพพานว่าอย่าลืมนะว่าไปถึงนิพพานได้แล้วอย่าทะนองตัวว่าเป็นผู้วิเศษจงใชอารมณ์จิตของเราให้เข้าถึงพระนิพพานในวันหลายๆครั้งก็ยังดี นั่งอยู่ใหไทยียกว่าไปให้ได้ทุกขณะจิตนั่งอยู่ทํางานอยู่นึกปั๊บจิตถึงนิพพานทันท mm hmm. เนีเห็นว่าพระติจ่าชัดที่นิมาณชัดมือทํางานอยู่อย่างนี้ตัวอยู่จิตโยนนนทําได้แบบสบายสบายทํางานทุกอย่างถือว่าทํางานตามหน้าที่ที่ไม่เกิดมาแล้วมีหน้าที่อะไรบ้างก็ทําให้มันครบไม่มีความเกลียดานในกายงาน มีความขายันหมั่นเพียรตามหน้าที่ของตนงานอะไรก็ตามที่เขามอบหมายให้ทำดีทุกอย่างแล้วงานไม่ข้างค้างเพรารข้างค้างมันเป็นกังวลเวลาที่เราใช้จิตเป็นสมาธิหรอปัศนาญาณเพื่อพระนิพพานแล้วก็สำหรับมโนยิทีนี่นอกจะใช้เพื่อพระนิพพานแล้วเขาก็ใช้ไนเรือเยอะแยะ อย่าจะไปไประเทศไหนก็ได้ไม่ต้องเียสตังหรอกอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปพรหมอยากจะไปนิพพานอยาจะปันรกไปสู่เปรตสุรกายสติฉันพ่อแม่ปู่ย่าตยายายใครก็ตายแล่อยู่ที่ไหนก็ไปได้แต่ว่าโปรดได้โปรดทราบขอสัอย่างเทิเมื่อได้แล้วจงอย่าทําตัวเป็นทาสชาวบ้านคือเป็นหมอดู ถ้าคืดทาตัวแบบนั้นไม่ช้าก็พังเสียหมดเรื่องความรู้ที่รู้วยกระรองจิตของเราท่านเรื่องโดยธรรมะเรื่องสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ทูลถามตรงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าถ้าเรื่องเกี่ยวกับโล ก, กีวิสัยถ้าไม่ใช่เรื่องรักกันแต่งานกันหรือเกี่ยวความสุขความทุกข์ความผันผลเข้ามเทศโลก อันนี้ถ้าเราอย่ถามเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งต้องรู้จะปลี่นหน้าไม่ได้เลยท่านรับสงเคราะห์เทวดาแล้วผมต้ององค์นั้นโดยเฉพาะหรือไม่เชนั้นถ้าไม่เกินมีสายไม่ใช่โลกเกินไปถ้าเป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าท่านก็ตอบให้ถ้าหาว่าถามท่านไม่ตอบก็จงอย่าอย่านึกตอบเองอย่าใช้กําลังใจก็ตนเองมันจะเป็นนิวรณ์ แล้วก็อย่าเป็นอุปาทานอุปาทานมันจะกินไม่เกิดประโยชน์เป็นอันว่าเรื่องหมอดูหมอเดานี่อย่าไปรับจ้างเขาเราทําปฏิบัติเพื่อความพ้นจากความเป็นท่าของตัญหาจงอย่าเป็นผู้อดวิเศษคือยอมตนเป็นท่าของตัญหานี่ไม่เกิดประโยชน์เลยอะไราสําหรับการแต่แนะนําตักเตือนกัน ก็ขอตากเตือนไว้เป็นหลักว่ตะเกียงท่านี้เพื่อนักปฏิบัติใหม่และนักปฏิบัติเก่าจะได้เข้าใจในการปฏิบัติตนตอนนี้ไปก็ ห, หมดเวลาศาลาหนี้ขอบันดาสาวภเวษีสมเด็จพระทศพลทุกท่านจงมีผลสมความปรารถนาตามที่ตั้งตั้งใจจงทุกประการสวัสดี